หัวข้อเตรียมตายอย่างโสดาบันเมื่อใดข้อสังเกตว่าจะดูอัตตากับอนัตตายอย่างไรในที่สุดคุณจะพบว่าอัตตาไม่เคยมีมีแต่อนัตตาและทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดบังคับให้คงที่ไม่ได้ทั้งรูปกายและอาการทางใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเบื่อเกมกรรมคือไม่ใช่ภาวะเบื่อหน่ายเป็นทุกข์ แต่เป็นภาวะถอดใจจากการอยากยึดอยากติดใจจึงเป็นอิสระมีความสุขมีความเบาคุณจะพบว่าตนเองกำลังหันหลังให้กับเกมการทีละน้อยคุณยังทําดีอยู่แต่ความดีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อต่อเกมถ้าว่าเป็นไปเพื่อหยุดเกมคุณยัง ส, ยสุขในกามอยู่แต่จะมีภาคหนึ่งที่ตรหนักว่านั่นไม่ใช่ความสุขอันเลิ่ลอยสักแค่ไหน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 และหลงรู้สึกว่ามีตัวคุณอยู่เดีย๋ยนี้แต่ก็จะไม่หลงเห็นผิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นตัวคุณเพราะเห็นชัดว่ามันเป็นแค่การประชุมรวมของธาตุสี่แล้วคุณจะไม่เห็นกระทั่งจิต ใ, ใจตัวเองเป็นตัวคุณเพราะเห็นชัดว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแม้กระทั่งการรับรู้ต่างๆมาด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาพูดง่ายๆว่า สภาพธรรมอันประกอบกับจิตของคุณทั้งหลายล้วนแปรรวนไปเรื่อยเป็นสภาพที่ไม่ซ้ำกับสภาพเดิมซักชุดเมื่อเป็นอิสระจากการปิดบังของกายใจจิตคุณจึงโปร่งทะลุออกไปเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกายใจเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันแตกต่างจากทุกสิ่งที่คุณเคยรับรู้และเมื่อเห็นนิพพานคุณเห็นด้วยสติ เห็นด้วยจิตที่ทรงอุเบกขาไม่ได้เห็นด้วยอาการหลงเข้าข้างตัวเองไม่ได้กำลังยืนอยู่ข้างกิเลสไม่ถูกครอบงมด้วยโมหะดังนั้นจึงไม่สงสัยอีกเลยว่านิพพานมีจริงไหมและด้วยวิธีอย่างไรจึงสามารถเห็นนิพพานได้เมื่อเห็นแบบประจักษ์คุณจึงไม่สงสัยด้วยว่าคนอื่นเห็นได้อย่างคุณไหมที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใด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 ยังมีความประมาทได้ถูกโมหะครอบงมได้ตลอดเวลาการเป็นโสดาบันไม่ใช่ประการได้เฉพาะแค่ชาติหน้าชาติถัดไปจนถึงนิพพานคุณก็จะไม่ต้องพลาดลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์อีกแล้วคือต่ำที่สุดแค่มนุษย์สูงที่สุดแค่พรมผลจากนั้นคือถึงนิพพานอันปราศจากการเกี่ยวข้องกับภพบน้อยใหญ่ทั้งหลาย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 จากนั้นเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์รู้จักนิพพานจริงทราบทางไปนิพพานจริงคุณยึดศาสดาองค์เดียวเป็นสรณะไม่หวังมีที่พึ่งอื่นอีกคุณควรสำรวจอยู่เรื่อยๆว่าถ้าให้ตายตอนนี้จิตจะคิดห่วงหน้าพะวงหลังถึงอะไรบ้างก็ฝึกพิจารณาซะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมีอันต้องเสื่อมสลายไปแม้ขณะที่คุณยังไม่เลิกหงแหนอยู่นั่นเอง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 เราบังคับให้มีแต่ลมหายใจออกไม่ได้เรารักษาลมหายใจออกไว้ตลอดไปไม่ได้เอาแค่นั้นพอแล้วเห็นลมหายใจเห็นความจริงของลมหายใจทุกคืนขอเพียงชั่วขณะเดียวที่คุณเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตนความว่างชนิดนั้นจะขยายชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อนไปสู่ความตายอย่างโสดาบันได้เต็มพิกัดหากคุณมีเวลาเหลืออีกสิบปีเพื่อเตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจคืนละหนึ่งครั้งก่อนนอนคุณจะสะสมความว่างจากตัวตนได้ 3,650 ห้าครั้งซึ่งก็ส่งพลังพอใช้แล้วที่เป็นเช่นนี้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 ตายอย่างคนเล่นเกมกรรมชนะต่างกันเป็นคนละเรื่องกับการตายอย่างคนออกจากเกมกรรมชนิดไม่กลับมาเล่นอีกลอยบุญลอยบาปเสียได้ก็ว่างจากทุกข์ในตัวตนอันเกิดแต่บาปและบุญได้ จบบทที่เกรูปประกอบทิ้งท้ายคนหนึ่งถามว่าฉลาดอย่างเอเลียนเนี่ยน่าจะหยุดเล่นเกมง่ายนะอีกคนตอบว่าให้ฉ ล, ลาดปราดเปรื่องขนาดไหนถ้าเอาแต่รู้เรื่องโลกอื่นเรื่องนอกตัวไม่รู้เรื่องในตัวก็หมดสิทธิ์ถ้าอย่งงางนั้นหมาแมวก็หมดสิทธิ์เลยดีก็ตอบว่าทำน่าสงสัยโลกท้งวันอย่างเนี้ยรอลุ้นตอนมีสติเล่นดีๆในเกมข้างหน้าเถอะ